จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้นําท่านสาธุชนเข้าเรียนกับเกี่ยวกับวิชาพุทธประวัติซึ่งวิชาพุทธประวัตินี้เป็นวิชาหนึ่งในจํานวนสี่วิชาของนักศึกษาธรรมะหรือที่เราเรียกว่านักธรรมสําหรับในวิชาพุทธประวัตินี้ เหตุใดหรือว่าทําไมเราจรึงต้องเรียนกันอันนี้เป็นหลักธรรมดาพุทธประวัตินี้หมายถึงว่าประวัติคือความเป็นไปเป็นมาหรือว่าความเป็นมาเป็นไปขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุที่เราจะต้องเรียนนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเราเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมดาอยู่เองว่าคนเหล่านั้นเมื่อจะยอมรับนับถือคําสั่งสอนของท่านผู้ใด ก็มักจะสืบดูภูมิหลังของท่านผู้นั่งเสียก่อนว่าเป็นคนที่น่านับถือเคารพ บ, บูชาหรือไม่คำสั่งสอนของท่านนั้นท่านเองปฏิบัติหรือประพฤติหรือไม่หรือว่าดีแต่สอนแต่ส่วนตนเองนั้นปฏิบัติตนไปในทางที่ชั่วในทางหายานะเมื่อเราทราบถึงภูมิหลังเช่นนี้แล้วว่าผู้นั้นหรือผู้สอนนั้นเป็นผู้สกปกหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติในทางที่ชั่ว ถึงแม้คำสอนของท่านภูมินั้นจะประเสริฐปานใดก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับนับถือได้แต่เมื่อสอบถามหรือว่าสืบถามทราบภูมิหลังของท่านบอเป็นคนที่สะอาดเป็นบัณฑิตประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามก็เต่อสัทธาความเชื่อและประสานาความเลื่อมใสในคําสอนยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงต้องเรียนพุทธประวัติกันประโยชน์ของการเรียนพุทธประวัตินั้นก็มีอยู่ห้าประการคือ หนึ่งได้ศรัทธาและประสาทะคือความเชื่อและความเลื่อมใสสองได้ทราบถึงพระประวัติของพระพุทธองค์สามได้ทราบ พ, พระจริยาวัดการประพฤติคือการปฏิบัติของพระองค์และก็สี่ได้ทิฏฐานุคติคือได้แบบแผนที่ดีงามและก็ห้าเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อปรับปรุงชีวิตของตนเอง นี่คือประโยชน์ในการเรียนพุทธประวัติก็หนังสือที่เราจะใช้เรียนพุทธประวัตินี้ก็เป็นหนังสือพุทธประวัติเล่มหนึ่งซึ่งรจชนนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววชิรยานวโรรถซึ่งท่านได้รจนนาไว้แต่ความจริงแล้วหนังสือเล่มนี้นะฮะ ความประสงค์เดิมเลยนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้เป็นหลักสูตรไม่ใช่ใช้เป็นหลักสูตรหนังสือเล่มนี้พระองค์ท่านนั้นได้เขียนเป็นการที่ว่าวิพากหรือวิจารณ์ประวัติของพระพุทธองค์เพื่อที่จะให้บุคคลนั้นที่มีความรู้แล้วได้เรียนได้ศึกษาหรือว่าได้พิจารณากัน ในหนังสือเล่มนี้นั้นพระองค์ได้รจนาขึ้นเมื่อพศ2455ในงานพระราชทานในรัชกานพระราชกุศลในงานพระสพของพระเจ้าวรวง์เธอกรมหลวงวรเชสุตานณนะพระเมรุทองสนามหลวงแต่ว่าเมื่อได้ตั้งการศึกษาของพระพิสุทธิสมณเณรขึ้นยังไม่มีหลักสูตรหรือยังไม่ได้ทําหลักสูตรพิ้งก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้ เป็นหลักสูตรช้ยเป็นพลางก่อนแต่เมื่อชายแล้วก็จนมาถึงบัดนี้แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหนังสือเรื่องเกี่ยวกับพุทธ ป, ประวัตินี้ท่านพระองค์นั้นได้รวบรวมมาในพระสูตต่างๆคือหนังสือพุทธ ป, ประวัตินี้ไม่เคยมีผู้ใดผู้หนึ่งเรียบเรียงไว้เป็นตังหะกหนึ่งเล่มโดยเฉพาะ คืเรียกว่าไม่ได้เคยขึ้นสู่สังคีติตลอดเรื่องสักเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านนั้นการที่ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานั้นก็นำเอามาจากที่ต่างๆเช่นเรื่องพระสูตรนั้นมาในมหาประทานสูตรแห่งทีนิกายมหาวัชเรื่องยังทรงพระเยาว์มาในติกนิบาตอังคุตรนิกายเหล่านี้เป็นตน้นไปคัดมาเอาแต่ละตอนละตอนนั้น ามาผสมผสานขึ้นเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าการเชื่อมต่อ น, นั้นจึงไม่ค่อยจะสนิทสนมนักเพราะว่านามาจากที่ต่างๆแต่ก็พอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ศึกษากันได้ในหนังสือพุทธประวัติเล่มนี้นอกจากที่จะนามาที่ต่างๆแล้วก็ได้แบ่งออกเป็น วิภาต่างๆกันคือมีใการทั้งหมดสี่วิภาควิภาคที่หนึ่งก็แสดงปุริมการหมายถึงเรื่องที่เป็นไปในการก่อนที่บาเพ็ญพุทธกิจและปฐะถมโพธิการคือเรื่องที่เป็นไปในการแรกแห่งการตรัสรู้ในวิภาคที่สองนั้นแสดงถึงมชิมะโพธิการคือเรื่องที่เป็นไปในระหว่างแห่งปฐมโพธิการและมชิมะและปชิมะโพธิการ และ ว, วิภาทที่สามนั่นก็แสดงถึงปัจฉิมโพธิการคือเรื่องที่เป็นไปในการจวนจวนถึงพระนิถึงนิพพานและก็อปรการคือเรื่องเป็นไปในภายหลังได้แก่เรื่องการถวายพระเพลิงและแจกพระทักและในวิภาทที่สี่นั่นแสดงถึงสังคีติคือการที่ภาษา voke ทาสังเขยนาลอยกลองพระธรรมวินัยตั้งเป็นแบบฉบับสืบต่อมาอเพราะฉะนั้น ในบทที่หนึ่งนี้เราก็จะเริ่มปุริมาการปุริมาการคือปริเฉษที่หนึ่งนั่นว่าด้วยเรื่องชมพูทวีปและประชาชนขอให้ท่านนักเรียนจงนาหนังสือมาประกอบแห่งการฟังด้วยการที่จะบรรยายในวันนี้จะบรรยายไปตามลาดับของหนังสือ แต่ว่าไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือให้ในปริเชตที่หนึ่งว่าด้วยชมพูทวีปและประชาชนท่านกล่าวว่าตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรมาชมพูทวีปคือแผ่นดินที่เรียกในทุกวันนี้ว่าอินเดียอ่ในข้อนี้ต้องเข้าใจซะก่อนคำว่าชมพูทวีป คือแผ่นดินที่เรียกในทุกวันนี้ว่าอินเดียนั่นน่ะหมายถึงว่าปัจจุบันในทุกวันนี้นั่นคือตั้งเมื่อพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวชิรยานวโรรถพระองค์ทรงรัตนาขึ้นเพราะฉะนั้นท่าจะพูดในปัจจุบันนี้แล้วชมพูทวีปคือแผ่นดินที่เรียกวันในทุกวันนี้ว่าอินเดียนั่นก็ จะต้องเปลี่ยนสมัยเพราะเหตุว่าในปัจจุบันนี้ประเทศที่เรียกชมพูทวีปในพศ2455นั้นในปัจจุบันนี้กลายเป็นสถานที่ตั้งแห่งประเทศสี่ประเทศเดียวกันขึ้นหนึ่งอินเดียสองเนปาลสามปากีสถานและสี่บังกลาเทศทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ในสมัยเมื่อพอที่ดังกล่าวนั้นแล้วนั่นประเท ศ, เ ท, ศทั้งสี่ประเทศที่ว่านี้รวมอยู่ในประเทศอินเดียประเทศเดียวกันแต่ประเทศอินเดียนั้นได้ถูกอังกฤษปกครองอยู่สองร้อยปีจะเพิ่งจะได้อิสระเมื่อสามสิบกว่าปีมานี้แต่เมื่ออินเดียนั้นได้อิสระแล้วปรากฏว่า ได้แตกออกไปด้วยการทั้งสี่ประเทศคือแตกไปเป็นประเทศเนปาลปากีสถ า, านและบังกลาเทศออกจากประเทศอินเดียไปแต่ถ้าหากว่านักเรียนผู้ที่จะสอบนั้นพอเขาถามว่าประเทศอินเดียที่เรียกในทุกอ่าทงผูทวีป ท, ที่เรียกว่าในทุกวันนี้ว่าประเทศอะไรเราก็ต้องตอบประเทศอินเดียอย่าไปตอบทั้งสี่ประเทศไม่ได้ เพราะตามหลักฐานนั้นทนา้วางไว้เช่นนั้นชมพูคำว่าชมพูทวีปอีกเหมือนกันก็ควรจะรู้ตามหลักพุทธศาสนานั้นในโลกเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันสี่ทวีปสีทวีปนั่นก็คือหนึ่งอุพภวิเทหทวีปสองอัประโคยานทวีปสามชมพูทวีปและก็สีอุตรกุุทวีป แต่ว่าที่เรานํามากล่าวนี้นํามากล่าวเฉพาะชมพูทวีปอันเป็นสถานที่กําเนิดแห่งพระพุทธศาสนาในช ม, ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียที่ว่านั้นหรือว่าประเทศสีประเทศที่วานท่ว่ามาปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งอยู่ทางทิศพยยับของประเทศสยามก็คือประเทศไทยเรา เมื่อชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศพายัพของประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็ตั้งอยู่ทางทิศอาคาเนย์ของประเทศชมพูทวีปหรือว่าประเทศอินเดีย <c oughs> ในชมพูทวีปนั้นมีชนอยู่ในกันสองสองจำพวกที่อาศัยอยู่คือหนึ่งชนชาติมิละะักกะเจ้าของทิ่นเดิมที่อาศัยมาก่อน ของที่ดินเดิมแท้ๆนั้นน่ะเป็นชนพวกหนึ่งซึ่งมาภายหลังพวกที่ยกมานั้นให้ชื่อบามิลกัแลวก็สองชนชาติอาริยกะได้แก่พวกที่ยกข้ามภูเขาหิมมาลายมาคือพวกนี้ได้ยกข้ามภูเขาหิมมาลายมาหากินในแดนชมพูทวีปแต่ว่าพวกชนชาติอาริยกะนี้เป็นคนที่เรียกว่า เป็นคนที่ฉลาดมีการศึกษาก็จึงได้ลุกไล่เจ้าของถิ่ินเดิมนั้นน่ะจนหลอยอจนล่นถอยไปอยู่ในปลายแดนหรือลงมาทางใต้ขึ้นมาทุกทีแล้วตัวเองก็ยึดสถานที่อันเป็นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกคือในประเทศที่ส่วนกลางในเนื้อที่ส่วนกลางนั้นการที่ลุกไล่ ชนชาติที่เป็นเจ้าของถิ่ินเดิมนั้นก็ด้วยเหตุสองประการคือประการหนึ่งไล่ด้วยอำนาจของเศรษฐกิจนะอย่างกับแบบประเทศไทยเราเราก็ที่รู้กันคนที่เขามีเศรษฐกิจดีมีเงินหนาหรือเงินมากเขาก็ซื้อสถานที่คนที่มีเงินน้อยก็ขายแล้วก็ล่นไปอยู่ในป่าในเขาต่อไปมีประการหนึ่งประการหนึ่งก็ด้วยที่ว่า <c oughs> ชนพวกที่มาใหม่นี่เป็นคนที่มีการศึกษามีอํานาจคือมีอาวุธหรือว่ามีอํานาจก็ขับไล่เจ้าของที่เดิม น, นั้นให้ล่นเลื่อนลงมาข้างใต้แล้วก็จึงได้แบ่งพวกตัวหรือว่าได้เรียกพกตัวเองเป็นชาชนชาติอริยกะอริยกะนี้แปลว่าชนชาติที่จเจริญ แล้วก็ดูถูกเจ้าของถินเดิมว่าเป็นชนชาติมิลก ะ, ะคือพวกที่ไม่มีความจเจริญหรือเป็นพวกที่มีผิวดำถ้าจะพูดง่ายๆคือว่าเป็นคนป่าคนเถือนแบบนั้นโดยที่ยกย่องตัวเองนี่ก็เรียกว่ามีด้วยกันสองเชื้อชาติด้วยกันเมื่อชนชาติอรารยะนั้นมาปกครองในแถบส่วนกลางของชุมพูทวีป แล้วก็ไล่เจ้าของทิ่ินเดิมลงมาทางใต้หรือว่าล่นถอยจากที่ทิ่ินเดิมไปอยู่ปลายแดนแล้วก็จึงได้กำหนดชมพูทวีปนี้แบ่งออกเป็นเขตใหญ่ๆอยู่สองเขตด้วยกันหรือที่เราเรียกกันว่าแบ่งเป็นจังหวัดใหญ่ๆสองจังหวัดที่แบ่งนั้นก็แบ่งเป็นสองจังหวัดด้วยกันนั้นก็คือหนึ่ง แบ่งเป็นเขตมัชชิมชนนบทหรือมัธยงประเทศได้แก่ว่าเขตอันเป็นศูนย์กลางกับสองปัจจันจชนนบทหรือปัจจันจตประเทศได้แก่เขตอันเป็นเขตปลายแดนหรือรอบหนอกอันนี้เราจะจะเปรียบเทียบในประเทศเราแล้วก็หมายถึงว่ามัชชิมะประเทศนี้ ได้แก่กรุงเทพมหานครแล้วส่วนประจันตชนบทหรือประจันตประเทศนั่นก็ได้แก่จังหวัดอื่นๆนอกจากกรุงเทพมหานครนั่นเองมีแบ่งเป็นประเทศหรือว่าเป็นเขตใหญ่ๆนั้นด้วยกันนะ่ะสองเขตด้วยกันคำว่ามัชชิมะประเทศนั่นแปลว่าหรือว่ามัชชิมะชนบทนั่นแปลว่าส่วนกลาง คำว่าประเทศตามภาษาบาลีนี้ท่านไม่ได้หมายว่าประเทศใดประเทศหนึ่งแปลว่าสถานที่ใดที่หนึ่งเช่นมัชชิมะประเทศนั้นหมายถึงว่าส่วนกลางปัจจันตประเทศหรือปัจจันชนนบนั้นหมายถึงว่าส่วนปลายแดนออกไปอนาเขตแห่งมัชชิมะชนนบทท่านก็กล่าวว่าไม่คงที่เสมอไปบางครั้งก็ขยายออกแล้วบางครั้งก็หดเข้ามา ตามอำนาจหรือตามยุค ข, ของท่านผู้ปกครองที่มีอำนาจมากหรือว่าอำนาจน้อยอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนประเทศไทยเราเหมือนกันสมัยก่อนกรุงเทพพระนครเรานี่ก็เล็กแต่อยู่ต่อมาต่อมาเราก็ขยายกรุงเทพพาาระมหานครนี่ออกไปใหญ่กว้างขวางอันนี้สุดแท้แต่ว่ากาลสมัยแม้ในชุมพูทวีก็เหมือนกัน เคแห่งมัชิมชนนบดหรือมัชิมประเทศนี้ก็บางครั้งก็ขยายออกไปบ้างบางครั้งก็ขยายขดเข้ามาบ้างแต่ที่ท่านกาหนดไว้นั้นเน่ะขอบเคของมัชิมอชนนบดที่ท่านกาหนดไว้นั้นตามในบาลีจำมะขันธกะแห่งมหาวัคแห่งพระวินัยนั้นท่านได้กาหนดไว้ว่าในทิศบุรพาภายในตั้งแต่มหาสารนครเข้ามา ในทิศอาคนเนภายในตั้งแต่แม่น้ำสันลวดีเข้ามาในทิศทักษินภายในตั้งแต่เสตกันนิกะนิคมเข้ามาในทิศปัจจิมภายในตั้งแต่ถูนคามเข้ามาในทิศอุดรภายในตั้งแต่ภูเขาอุสีรัชชะเข้ามาภายในตั้งแต่ภูเขาอุสีรัชชะเข้ามานี่ในทิศอุดร ตามที่กำหนดไว้นี้ท่านกล่าวว่าเป็นมัชมชิมชุนนบุแต่นอกเหนือจากนั้นไปเรียกว่าปัจจันตชนบุเรียกว่าปัจจันตชน บ, จจนชนบุแต่ว่าการที่กำหนดนี้ดังที่ว่าไว้แล้วมีการขยายออกและเลื่อยเข้าบ้างแล้วก็ นี่เป็นส่วนใหญ่ๆของมชิม ะ, ะชนบทหรือมชิมะประเทศที่ว่าเป็นศูนย์ท่ากลางและนอกจากนั้นแล้วชมภูทวีปนั้นยังได้ปั น, ปนเป็นอาณาจักรหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเมืองออกเป็นพระนครใหญ่ๆนั้นอีกด้วยกันถึงสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดัะยี่สิบเอ็ดัติกัน ซึ่งยี่ิบเอ็ดลัฐนี้ปรากฏในครั้งพุทธกาลซึ่งได้ระบุไว้ในบาลีอุบโบสถสูตรในติกนิบาตอังคุตรนิกายนั้นสิบหกัฐธเดยกันหรือว่าสิบหกแควนก็คืออังคะมกธทะกาสีโกศ ล, ละวัชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละ มัชชะสุรเสนะอสกะอวันตีคันทาระและกัมโพชะส่วนที่มาในบาลีแห่งพระสูตรอื่นซึ่งชื่อไม่ซ้ำกันกับสิบหกแนที่กล่าวมักขังต้นนั้นมีด้วยกันอีกห้าอีกห้าแว้วยนกันก็คือส ก, กะโกริยะพักคะ วิเทหะและอังคุตตาปะรวมแล้วปรากฏว่าในชมพูทวีปนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน21แควนนะ21แควนแต่และแควนละแควนนี้น่นนะมีพระราชาปกครองบ้างเป็นมหาตัางตนเป็นมหาราชาบ้างเป็นราชาบ้างเป็นอธิบดีบ้างหมายความว่าเป็นเมืองใครเมืองมัน แต่ก็อยู่ในเขตชุมพูทวีแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแกกันแล้วกันต่างคนต่างและทวีต่างและแคว้นนั้นก็มีพระราชาปกครองการปกครองนั้นบ า, บางแคว้นก็ปกครองด้วยอำนาจสิขาดที่เราเรียกแบบว่าราชาธิปไตยบางแคว้นนั้นก็ปกครองโดยธรรมมาธรรมมาิปไตย หรือเรียกว่าประชาธิปไตยที่เราเรียกกันว่าสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมนี้ก็ที่เราเรียกกันว่าปกครองกันโดยแบบสามัคคีแต่ว่าเป็นส่วนสามัคคีแห่งบุคคลจำกัดคือประเภทพวกเจ้าเด็กกันประชาชนนั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองประเทศไม่มีสิทธิ์ปกครองประเทศนี่ในข้างพุทธการนั้น จุลภูฏวิวีนี้แบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด21แครและ21รับแต่ในปัจจุบันนี้เฉพาะในประเทศอินเดียเลยนั้ น, น่ะแบ่งออกเป็น22รับนะฮะเฉพาะประเทศอินเดียนะแต่วันในครั้งพุทธกาลที่ว่าในชุลภูทวีปนั้นหมายถึง4ประเทศด้วยกันคืออินเดียเนปาลปากีสถานและบังกลาเทศเนี่ยแบ่งออกเป็น21รับ เพราะฉะนั้นประเทศอินเดียนี่จึงเป็นประเทศที่ใหญ่โตมโหฬารมากเรียกว่าคนเหนือไปเที่ยวใต้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องคนใต้ไปเที่ยวเหนือก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะเหตุที่ว่าแต่ละรัฐของประเทศอินเดียนี้ในปัจจุบันนั้นที่มีกันทั้งหมด22รัฐนี้เฉพาะภาษาที่ใช้เฉพาะประจรัฐก็มี22ภาษาแล้ว คือรัฐไหนการปกครองนั้นก็ใช้ภาษาของรัฐของตัวเองเช่นรัฐของมคอมคอศ ร, รัฐหรือที่เราเรียกในปัจจุบันนี้ก็คือรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเราก็ใช้ภาษาฮินดู ส่วนรัฐเบงกอลก็ใช้ภาษาเบงกอลีเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐนี้จึงได้คนประชาชนจึงได้พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักเพราะภาษาผิดกันอันนี้ก็มีครั้งหนึ่งอินเดียนั้นก็ได้ไปชุมแต่ละรัฐรัฐว่าเราจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษากลางดี เพราะเหตุที่ว่าภาษาประจำรัฐก็22รัฐแล้วแล้วภาษาที่พูด ก, กันทั่วไปนั้นประมาณ200กว่าภาษาคือเป็นภาษาที่ตามชาวบ้านพูดแต่ภาษาที่ใช้เป็นเป็นภาษาราชการนั้น 22, 22ภาษาคือประจำรัฐใครอยู่รัฐไหนก็เรียนภาษาของรัฐนั้นก็มาไปชุมปรึกษากันพอมาไปชุมศึกษากันแล้ว อ่ารัฐแห่งเบงกอลก็จะอยากบอกว่าต้องการจะออ่าเห็นว่าภาษาเบงกาลีนั้นสมควรที่จะเป็นภาษากลางรัฐปัญจภาพนั้นก็บอกว่าภาษาปัญจาบีนั้นก็ควรที่จะเป็นภาษากลางรัฐธมินนั้นก็บอกว่าธมินาภาษาธรมินนาดูนั้นก็น่าจะเป็นภาษากลางเลยตกลงกันไม่ได้ใครๆก็จะเอาภาษาของตัวเองนั้นเป็นภาษากลางเมื่อตกลงกันไม่ได้เช่นนี้แล้วก็เลยตัดสินใจ เลยตัดสินกันว่าใช้าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเที่ยวรอบในอินเดียได้ต้องรู้ภาษาอังกฤษถึงจะถึงจะไปเที่ยวได้อันนี้ก็น่าที่เป็นที่น่าคิดสำหรับชาวไทยเราภาษาคนอินเดียนั้นมีภาษาถึงสองร้อยกว่าภาษา แต่ว่าจะหาภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นภาษากลางไม่ได้เลยกลับไปเอาภาษาของชาวเกาะเล็กๆคือชาวอังกฤษมาเป็นภาษากลางซึ่งอังกฤษนั้นเคยปกครองอินเดียอยู่ถึงสองรอยปีนี่อันนี้น่าคิดส่วนเมืองไทยเราก็นับว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งภาษาที่ใช้ในเมืองไทยเหล่านั้นไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าว่าเป็นภาคก็มีดีกันถึงสี่ภาคแล้วภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ แต่ว่าเรายังดียังรู้พูดกันรู้เรื่องคือใช้ภาษากลางซึ่งเป็นภาษาหนังสือเป็นภาษาที่เรียนเราก็สามารถกับพูดได้แต่ภาษาชาวบ้านหรือท้องถิ่นนั้นก็ไปอีกเรื่องหนึง่งนี่นับว่าเป็นบุญของเมืองไทยเราเรายังสามารถใช้ภาษาไทยเรานี่เป็นภาษากลางได้นี่ประการหนึ่งประการที่สองอินเดียก็เหมือนกันอินเดียนั้นเป็นแดงเกิดแห่งพุทธแห่งศาสนานั้นหลายศาสนานด้วยกัน หพุทธศาสนาก็เกิดที่ประเทศอินเดียสองศาสนาพราหมณ์หรือที่เราเรียกกันว่าฮินดูนั้นก็เกิดในประเทศอินเดียสามศาสนาซิกก็เกิดในประเทศอินเดียสี่ศาสนาเชนก็เกิดในประเทศอินเดียห้าศาสนาอิสลามก็เกิดในประเทศอินเดียเสร็จแล้วอผู้นำแห่งศาสนาทั้งห้าเหล่านี้ ก็มาประชุมปรึกษากันว่าเราจะใช้สกุลละอะไรดีเป็นสกุลละของประจำประเทศิเดียชาวพุทธก็ต้องการจะใช้พศซึ่งเป็นพุทธสกุลละชาวฮินดูก็อยากจะใช้ฮินดูสกุลละชาวซิกก็บอกว่าควรจะใช้ซิกสกุลละอิสลามก็บอกว่าควรจะใช้อิสลามสกุลละนี่เสร็จแล้ว เถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้ใครๆไม่ยอมกันทางนั้นเลยตกลงก็ต้องเอาเอาเอาศาสนาที่เป็นกลางคือศาสนาที่ไม่ได้เกิดในประเทศอินเดียศา ส, สนา น, นั้นก็คือศา ส, สนาคริปเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อินเดียใช้คิทศักการดเป็นศักการดประจําประเทศอินเดียนี่ซึ่งเราคิดดูแล้วก็น่าเศร้าใจเหมือนกัน ในเมืองไทยเรานี่ก็นับว่าเราไม่เราไม่เป็นที่นั่นโดยมากส่วนใหญ่เราถือพุทธศาสนาเราก็ใช้พศออเป็นพศออหรือว่าเป็นสักการประจาของเมืองไทยลรงอันนี้ก็รอตัวไปอย่างอันนี้เรียกว่าเป็นเกร็ดที่ว่าอยากจะท่านให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับรับทราบไว้ในฐานะเราเป็นคนไทยนับว่าเรานี่ยังเป็นผู้ที่มีบุญ หรือว่าสามารถที่ตกลงกันได้ไม่เถียงกันเหมือนกับคนประเทศใหญ่ๆและคนที่จํานวนมากเช่นประเทศอินเดียเป็นต้นคนในชมพูทวีปนั้นมีด้วยกันมากมายหลายประการนั้นเขาก็ยังได้แบ่งออกเป็นพวกเป็นพ้องคือเราเรียกว่าเป็นแบ่เป็ น, ปนแบ่งออกเป็นสี่จำพวกที่เราเรียกว่าวันนะนะเราเรียกว่าวันนะเป็นสี่จำพวกด้วยกันคือเรียกว่าวันนะสี่ ก็คือวันณะที่หนึ่งก็ได้แก่ ก, กษัตริย์อ่าในที่นี้ท่านบอกว่า ก, กษัตริย์นั้นได้แก่เฉพวกเจ้านะฮะความจริงแล้วถ้าจะว่าแล้ว ก, กษัตริย์นี่มเป็นวันณะวันณะหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเสมอไปเป็นวันละคนละหนึ่งที่เรียกวันณะกษัตริย์ก็คือคนสามัญนี่เองแต่ว่าจัดเป็นวันณะหนึ่งสองวันณะพราหมณ์นะฮะก็ได้แก่พวกที่เล่าเรียนศึกษา เนสามวณฑ์แพทย์คือพวกสามัญชนธรรมดาหรือว่าจัดเป็นวณฑ์นนหนึ่งทั่วไปแพทย์ในที่นี้ท่านนักศึกษาควรจะสังเกตไว้ด้วยแพทย์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าสระแอพอตัวทอและยอกัลันนะฮะอันนั้นเป็นแพทย์แปลหมอแพทย์ในที่นี้สระแอพอและสอคอยอกลันฮะเป็นเป็นเป็นวณฑ์หนนะึ่งไม่ใช่เป็นแพทย์วหมอนะคร เพราะนั้นถ้าหากาเราเขียนเป็นแพทย์หมอแล้วความหมายก็จะผิดไป <c oughs> แล้วก็วนนสี่วันละสูตรวรรณะสูตรนี้ก็เป็นอีกจําพวกหนึ่งในวันณะทั้งสี่ความจริงนั้นการที่ชาวอินเดียได้แบ่งวันณะขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เหมาะสมแก่การงานนะให้เหมาะสมแก่การงานของแต่ละพวกคือแบ่งหน้าที่การงานให้ทํา พวกนี้ทําหน้าที่อย่างหนึ่งและพวกนี้ทําหน้าที่อย่างหนึ่งเชิงกษัตริย์นี้ก็มีหน้าที่ในการรักษาปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นทหารหรือเป็นตํารวจพวกนี้หรือเป็นผู้เจ้าผู้เป็นนักเลาะผู้ครองนครนี้จะต้องเลือกเอาจากวณณะกษัตริย์นี่เขาแบ่งไปอย่างนี้ส่วนพวกวณณะพราหมณ์นั้นก็เป็นผู้ที่นักเรียนและนักศึกษาก็มี หน้าที่ในการที่ว่าฝึกสอนและกระทำพิธีกรรมต่างๆวันนาแพทย์นั้นหมายถึงว่าประเภทที่พวกทำมาหากินธรรมดาคือทำนาบ้างทำนาทำไร่ค้าขายหรือทำสวนเหล่านี้เป็นพวกประเภทที่เรียกว่าพวกวันนาของแพทย์ นวันนาสูคือวันนะสุดท้ายนั้นก็คือพวกนี้มีหน้าที่ในทางที่เป็นกรรมกรนะเป็นพวกกรรมกรพวกประเภทช่างแรงงานนี่เขาแบ่งคนเป็นในสี่วันณะอย่างนี้นะเพื่อให้เหมาะสมใน ก, การงานด้วยกันแต่ภายหลังนั้นพวกที่อยู่ในวันณะพรา์นั้นหรือพวกวันนะกริยัวร น, นพราสองเพศนี้ ก็ในมาจำกัดกันเองว่าพวกตนนั้นพวกกษัตริย์หรือพวกวันณนะของกษัตริย์ของวันณะพรามนั้นเป็นพวกวันณะที่อยู่ในพวกชั้นสูงแต่วันณะแพทย์วันณะสูนี้เป็นพวกที่อยู่ในวันละต่างกับกําหนดไปซะอย่างนั้นเอาละสําหรับในบทเรียนวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้บทบเรียนในวันนี้ ก็จะว่าตอบบทเรียนครั้งที่แล้วในบทเรียนครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดกันมาถึงเรื่องวันณะสีประการด้วยกันแต่ว่าอยากจะทวนอีกชนิดหนึ่งก่อนที่จะถึงวันณะสีประการนั้นน่ะที่ได้พูดถึงเรื่องชมพูทวีปที่พูดถึงเรื่องชมพูทวีปว่า ได้แก่ประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้นั่นเมื่อพศ2455นั่นแต่อตาตมาได้กล่าวว่าในปัจจุบันนี้ได้แก่ประเทศ4ประเทศคืออินเดียเนปาลปากีสถานและบังกลาเทศนั้นอันนี้ท่านได้ฟุตโน้ตไวนะ้ว่าตามที่กําหนดนั่นเราจะเห็นได้ว่าเป็น4ประเทศจริงหรือไม่คือในทิศบุรพานั้นภายในตั้งแต่ ในปัจจุบันมวพศหมงพศ2485นั่นนะทางกเกษตรเยนไม่ว่าปัจจุบันนี้ในทิศบุรพานั้นภายในตั้งแต่ประเทศเบงกอนเข้ามาเบงกอนนี่ก็คือบางประเทศในปัจจุบันในทิศสักศิลป์ภายในตั้งแต่ประเทศแดกกันเข้ามาประเทศแดกกันนี่ก็คือแดกกาดักกานั่นเอง ในทิศตะจีนภายในตั้งแต่ประเทศบอมเบย์เข้ามาอันนี้ก็บอมเบย์นั้นเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งของประเทศอินเดียในปัจจุบันและในทิศอุดร น, นั้นภายในตั้งแต่ประเทศเนปอนเข้ามานี่ประเทศเนปอนก็คือประเทศเนปา่นั่นเองเพราะฉะนั้นชมพูทวีปนั้นก็ในปัจจุบันนี้กินไปถึงสี่ประเทศเองกันเอาแล้วทีนี้เราก็มาเข้ากันในบทเรียนที่ ต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วนั้นเราว่าว่าถึงวันณะสี่คือกษัตริย์พรามแพทย์สุด ต, <c oughs> ตามที่ได้กล่าวแล้วว่ากษัตริย์พรามแพทย์สูตรนี้ที่ได้จัดเป็นวันณะสี่อย่างนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมแก่การงานคือแบ่งการงานกระทาให้เหมาะสมแก่การงานของแต่ละท่านละท่านหรือแก่จำพวกจำพวก ประศักดิ์นี้เป็นพวกที่เรียกว่ามีหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่เป็นปทหารนี้เขาจะเลือกเอาเฉพาะคนที่เกิดในวนนรรณะศัตริย์นะเป็นพวกประเภทนักรบนะพวกนี้ส่วนพลามนั่นเป็นประพวกประเภทนักเรียนจะเอาไปเป็นทหารหรือเป็นตำรวจแล้วก็เรียกว่าจิตใจไม่แข็งพอ ก็ไม่ได้เป็นนักรบจึงไม่เหมาะสมส่วนพวกพราญนั้นก็เป็นพวกประโประเภทที่ว่าพวกเล่าเรียนศึกษาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีหน้าที่ในการสั่งสอนทําพิธีต่างๆส่วนพวกแพทย์นั้นก็เป็นพวกสามัญทั่วไปประพประเภทที่เรียกว่าทํานาค้าขายทําสวนทําไร่เลี้ยงชีพ ก็คือเราประเภทประเภทที่เราเรียกกันว่าเกษตรกรหรือพวกค้าหวานิดฮะและว้วพ่อค้าหวานิดส่วนสูตรนี้ปร ะ, ประเภทกรรมกรก็คือพวกประเภทใชแ้แรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งวันณะออกไปสี่ประเภทนี้แล้วทั้งวันละสี่ประเภทนี้ก็จึงได้มีหน้าที่และการศรึกษาผิดกันการศรึกษาและหน้าที่นี้ก็จัต์ เป็นบุคคลประเภทที่ปกครองบ้านเมืองก็ต้องรักษาต้องศึกษาไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุตยุทธวิธีคือการลบวละรัฐรัฐศาสตร์คือเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองส่วนพราหมณ์นี้มีหน้าที่ในการสั่งสอนและทาพิธีก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพิธีกรรมและวิทยาการต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปสอนและทำพิธีส่วนพวกแพทย แพรพวกนี้มีหน้าที่ในการทํานาบังค้าขายบังทําสวนทําไร่ก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับวิชาการอันเหมาะสมกับวิชาหนนั้นเช่นพวกทํานาทําไร่ก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิชาเพาะปลูกส่วนพวกค้าขายก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องวิชาค้าขายส่วนสูตรนั้นมีหน้าที่ในการใช้แรงงานก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงาน บางคนอาจจะเข้าใจว่าสูตรนี้มีหน้าที่ใช้แรงงานไม่ต้องศึกษาอะไรอันนี้ไม่ได้คือแม้เราจะใช้เป็นกรรมกรเป็นผู้ใช้แรงงานก็ตามก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิธีใช้แรงงานเช่นการใช้เครื่องผ่อนแรงบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นการที่ว่าต้องศึกษาทั้งนั้นไม่ว่าใครจะมีหน้าที่ยังไงต้องศึกษาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าฝึกไม่ศึกษาไม่ได้ นี่เขาแบ่งการงาหนาหน้าที่การงานอย่างนั้นแต่อยู่มาภายหลังเนี่ยพวกกษัตริย์ก็พวกพราหมณ์พวกนี้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกพราหมณ์นั้นน่ะเขาถือว่าวันณะของกษัตริย์กับพราหมณ์เนี่ยเป็นวันละที่ชั้นสูงส่วนวันละแพทย์และวันละสูตรเนี่ยเป็นวันละต่างคือวั น, นละพราหมณ์นี่เ้าถือว่าเขากำเนิดมาจากอกพระพรหม และวันณากระสัดนี่เกิดมาจากแขนขวาของพระพรหมนะวันณาแพทย์นี่เกิดมาจากแขนซ้ายของพระพรหมส่วนวันนาสูตรนี่เกิดมาจากเท้าของพระพรหมนี่เขาไปเหยียบอย่างนั้นซะเลยพามนี่ก็ถือว่าตนเองนั้นนะ่ะเป็นวันณะที่สูงสุดซึ่งวันา่าที่อื่นวันณะทั้งสามนอกจากนั้นนะ่ะจะต้องบำเลอตนหรือว่าให้ความเคารพนับถือตตนนี่และส่วนวันณะ กษัตริย์ก็ยังไม่ยอมก็ดึดถือว่าวันละกษัตริย์เนี่ยเป็นวันณะที่สูงเพราะเป็นเจ้าปกครองประเทศเนี่ยเสร็จแล้วเขาวันณะทั้งสองนี้ก็จึงได้เหยียบวันณะอีสองคือวันณะแพรกับวันณะูสเนี่ยเป็นวันละที่ต่ำอย่างพวกสโสนี่เป็นวรนละต่ำเลยที่ว่าเกิดจากท่าพระรมนี่เืียกว่าเป็นคนรับใช้เขาหรือเป็นคนใช้สอยเขานอกจากนั้นแล้วพวกวันณะทั้งสี่นี้เมื่อจะถือตนเองเนี่ย เป็นวันณะที่สูงอยู่นี้แล้วจึงไม่ยอมสมสู่กับวันณะอื่นเช่นถ้าหากว่ามีนางกัริย์หรือว่านางพรามณีนี่ไปแต่งงานได้สามีเป็นคนพวกแพทย์หรือพวกสู่รเขา่าเขาถือว่าลูกที่ออกมานั้นน่ะเป็นคนจันทานคำว่าจันทานนี้ก็ใ้แก่เป็นคนกาลกิ น, นีหรือว่าคนกาลีนั่นเองซึ่งคนไทยเราก็ถือว่าเป็นคนเสี่ยมจันไนะเป็นคนจันทานนี้ คือใครถูกต้องไม่ได้แม้แต่เข้าไปในสถานที่ใครเขาถือว่าเป็นผู้ที่นำเสน่ห์จันไรเข้ามานี่ถือเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วก็คนเหมือนกันวันนั้นทั้งสีนี่ก็คนเหมือนกันเกิดมาจากคนเหมือนกันซึ่งนี่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์เคยอ่าเคยกล่าวว่าพราหมณ์เนี่เป็นผู้กหกคือพราหมณ์นี่เขากล่าวว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากอกพรพรหมพระพุทธองค์ก็จริงได้ตอบว่าพราหมณ์นี่เป็นคนโกหกความจริง พวกพราหมณ์เหล่านี้ก็เกิดมาจากท้องของนางพราหมณีนั่นเองก็ซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉ<ม>ั้นไหนที่ไปโกหกว่าเกิดมาจะอบพรพรหมนี่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาถือกำลังเกลียดอย่างนั้นฮะเสร็จแล้วก็พวกวรรณะอื่นที่ถือว่าที่เขาเหยียบว่าเป็นวรรณะสูตรพวกนี้หรือวรนละแพทย์เหล่านี้ก็ยอมเชนด้วยว่าตนเองนะ่ะเป็นคนที่วรรณะต่ําเพราะฉะนั้นเห็นพวกพราหมณ์นี่ไม่ได้ ต้องให้ความเคารพนับถือแม้แต่วต่ตนเองเน่ยจะมีอายุปูนพ่อของพวกพรามก็ต้องกราบไหว้พวกพรามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียนั้นเขาก็มีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าถ้าฆ่าคนธรรมดานี่มีโทษอย่างหนึ่งแต่ว่าฆ่าพรามคนแล้วต้องมีโทษมากหนีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประเทศอินเดียนั้น ความจริงน่าจะลึกหนาหรือว่าจะเลิญมากไปกว่า น, นี้ก็เพราะว่าเป็นไปไม่ได้กับเพราะเหตุที่ไหวยังถือวันณะเนี่ยยังมั่นคงมากจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็มีนะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นบางทีในคนต่างประเทศไปนี่ก็จะถามที่ว่าท่านเป็นวันณะไหนนี่ยังถื อ, อยังมั่นคงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพรามเนี่ยถื อ, อยังมั่นคงที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาจาก ว่าวันละสูงกับวันละต่ำผสมกันนี่ที่เรียกว่าจันทานีจึงเป็นคนที่เป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไปถ้าคนคนนี้ไปในบ้านใครก็นับว่าเป็นคนที่นำเสม็ดจันไนเข้าเข้ามาในบ้านเขาจะไล่ออกทันทีและจะใช้น้ําล้างถ้าหากว่าหรือม่ช่นะก็ต้องใช้น้ํานมเนี่ยล้างเลยเพื่อว่าไล่สม็ดจันไนออกไปนี่การที่เหยียดหยามนี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งทําให้ คนซึ่งเกิดมาโดยที่ไม่ได้รับอ่าโดยที่ไม่ได้ทำบาป ท, ทำกรรมอะไรก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยโดยที่ตนเองนั้นไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าหากว่าพวกกษัตริย์หรือพวกพราหมณ์นี้ไปแต่งงานกับหญิงซึ่งเป็นอ่าวันณะของแพทย์หรือสูตรนี้ก็ยังพอได้เพราะว่าตามหลักของชาวเอเชียด้วยกันแล้วรู้สึกว่าจะถือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นเป็นใหญ่กว่าบุตรที่ออกมาก็ไม่นับว่าเป็นจันทงัง นี่ในเรื่องของวันละทั้งสี่เมื่อแบ่งแยกออกเป็นคนวันละชนิดแล้วจึงได้มีการศึกษาและก็หน้าที่นั่นผิดกันในพวกวันละทั้งสี่หรือว่าคนในชมพูทวีปนั่นคือคนอินเดียนั่นน่ะเป็นคนที่สนใจในวิชาธรรมะมา ก, มากคือเป็นคนเจ้าละทิหรือเป็นคนที่เรียกว่ามีความเห็นต่า ง, า ง, างนาน า, นามากด้วยกัน หรือว่าเป็นคนเจ้าละทิปต่างๆคนชมพูทวีปนั้นเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความตายและความเกิดเนี่ยแบ่งแยกออกไปต่างๆนานาด้ยกันคือเขาเป็นคนชักแอรนักคิดและเขาก็คิดขึ้นว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องความตายความเกิดนี่เป็นยังไงเพราะนั้นก็มีความคิดเห็นต่างๆกันไปแต่พอจะสรุปได้แล้ว เป็นพวกใหญ่ๆอยู่สองพวกด้วยกันมีความเห็นเป็นสองพวกหรือสองประการเดียกันคือพวกที่หนึ่งถือว่าตายแล้วเกิดพวกที่หนึ่งถือว่าตายแล้วเกิดพวกที่สองนั้นถือว่าตายแล้วสูญมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความตายความเกิดเป็นสองพวกเดียกันพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดนั้นก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันไปเป็นสองพวกหรือสองประการเดียกัน คือพวกหนึ่งถือว่าเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเช่นคนเช่นมนุษย์เราเนี่ยในชาตินี้เป็นมนุษย์ตายไปแล้วต้องเกิดอีกแต่จะเกิดไปอีกขีชาติขีร้อยชาติขีพันชาติก็ตามก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ท่านั้นเองไม่มีการแปลผันในพวกนี้เขาพวกนี้พวกประเภทที่คิดว่า ธรรมชาติเนี่ยเขาแบ่งมาแล้วพวกนี้เป็นพวกมนุษย์พวกนี้เป็นสรรนัตว์เลี้ยงลูกนพวกนี้เป็นนกพวกนี้เป็นกาเพราะฉะนั้นในประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วตราบใดยังไม่ยังไม่สิ้นสุขนั้นยังต้องเกิดอีกนั่นนะก็เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์เรื่อยไปเป็นสัตว์เลี้ยงลด้วนก็เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลนเรื่อยไปแต่อีกพวกหนึ่งมีความที่เห็นว่าการตายการเกิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้มีการจุติแปลผัน เช่นในชาตินี้เป็นมนุษย์ตายแล้วถ้าหากว่าทำไม่ดีอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือสัตว์เดรัจฉานในชาตินี้ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทําคุณงามความดีเวล้วตายไปแล้วอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือเกิดเป็นเทวดาก็ได้นี่เขามีความเห็นเป็นอย่างนี้และพวกที่สองที่ถือว่าตายแล้วสูงพวกที่ถือว่าตายแล้วสูงนี่ก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันไป สรุปแล้วเป็นสองพวกใหญ่ๆก็คือพวกที่หนึ่งถือว่าตายแล้วศูนโดยประการทั้งปวงพวกที่สองว่าศูนบางสิ่งบางอย่างนะพวกที่หนึ่งถือว่าพอตายแล้วศูนย์คนเราเกิดมาในชาตินี้หรือว่าชาติไหนก็ตามเกิดมาชาติเดียวเท่านั้นเองชาติหน้าไม่มีหรือภกหน้าไม่มีโลกหน้าไม่มีเกิดมาชาติเดียวตายแล้วศูนแต่ว่าพวกอีประเภทหนึ่ง ถือว่าคนเรานั้น่ะตายแล้วนั้นน่ไม่ใช่สูญทีเดียวมันสูญเพราะเหตุบางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างนั้นทําให้สูญแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นยังไม่สูญใครหมายความว่าคนเราเนะั้นบางคนตายแล้วสูญมีและก็ไม่สูญมีนี่ตามที่ได้กล่าวมาแล้วสองประเภทนี้นั้นนะ่ะคือพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดนั้นนะ่ะ ประเภทที่นากลัวคือพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดไม่มีการจุติแปลผันคือไม่เปลี่ยนแปลงใครเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เลยไปพวกนี้เป็นพวกประเภทที่นากลัวกับประเภทที่เรียกว่าตายแล้วสูญโดยประการทั้งปวงเนี้เพราะพวกพวกนี้คิดว่าชาตินี้มีชาติเดียวบ้างหรือว่าถึงไม่จะเกิดกี่ชาติก็เป็นมนุษย์อยู่นี้ตนเองเป็นมนุษย์จะไม่มีการจุติแปลผันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มักจะทําพวกกรรมเวรต่างๆ ซึ่งตามทาตามความพอใจของตัวเองไม่กลัวบาปกลัวกรรมเพราะถือว่าตนเองเป็นมนุษย์ตนเองก็พอใจอยู่แล้วไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มักจะทําแต่ในกรรมที่ชั่วและทุจริตนี่เป็นประเภทที่น่ากลัวนะส่วนประเภทน่องนั่นที่ถือว่าคนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้คือตายแล้วอาจจะไปเกิดเป็นสตรีฉางกนไดาพวกนี้เมื่อรู้สึกเ ม, มื่รู้ว่า ตนเองจะไปอทำบุญกุศลจะไปเกิดในที่ดีก็พยายามทำในที่สิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าทำสิ่งที่กรรมเป็นชั่วจะไปเกิดปเป็นเสดฉานหรือไปเกิดในไบยภูบางก็เว้นสิ่งเหล่านั้นเสียอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ากลัวนักนี่เป็นเรื่องเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการตายและการเกิดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความสุขและความทุกข์นั้นเนี่ยชาวอินเดียหรือว่าชาวชมพูทวีก็คิดไปนานานานประการด้วยกันเหมือนกัน แต่ว่าพอสรุปได้เป็นสองประการเดียกันคือพวกที่หนึ่งถือว่าสัตว์นั้นจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ก็ได้เองไม่มีเหตุมีปัจจัยคือพวกนี้คิดว่าคนเรานั้นน่ะหรือจะเป็นสัตว์ไรฉางก็ตามที่จะได้รับความสุขความทุกข์นั้นไม่ใช่มีเหตุมีปัจจัยอันใดอันหนึ่งหรือไมีเหตุอันใดหนึ่งให้ได้รับความสุขความทุกข์แต่มันเป็นจังหวะชีวิตคือถึงความสุขก็สุขเองถึงความทุกข์ก็ทุกข์เอง นะฮะพวก น, นี้เมื่อถืออย่างนี้แล้วตนเองก็ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรก็คอยที่เรียกว่าจังหวะชีวิตหรือวพูดยังไงว่าที่เราถือกันว่าแล้วแต่ดวงนะสมัยปัจจุบันนี้ถือว่าไอการที่คนเราจะได้รับความสุขความทุกข์มันเป็นไปตามดวงเลยก็คอยอ่าไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทําความดีอะไรก็คอยแต่เรียกว่าดวงจังหวะดวงมันจะให้อย่างนั้นแต่พวกประเภทที่สองนั้นถือว่าคนเรานั้น <c oughs> จะได้ความรับความสุขหรือความทุกข์นั้นมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็สุขเองไม่ใช่อยู่ๆก็ทุกข์เองพวกประเภทที่สองนี้ที่ถือว่าคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์นั้นเป็นเพราะอ่าเพราะเหตุเพราะมีเหตุมีปัจจัยนั้นน่ะยังมีความเห็นต่างกันไปสองประเภทนะหรือสองประการด้วยกันก็คือพวกประเภทที่หนึ่งหรือประการที่หนึ่ง คิดว่าคนเราจะได้รับความสุขความทุกนั้นเป็นเพราะเหตุภายนอกมีเทวดาเป็นต้นพวกประเภทที่สองบอกว่าคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกนั้นเป็นเพราะเหตุภายในคือกรรมนี่มีความเห็นแตกต่างไปอย่างนี้พวกประเภทที่หนึ่งเห็นว่าคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกนั้นเป็นเพราะเหตุภายนอกมีเทวดาเป็นต้นอันนี้แหละเข้าใจว่า การที่คนเราจะได้รับความสุขเพราะเทวดาโปรดปรานคนเราจะได้รับความทุกข์เพราะเทวดาไม่ชอบใจก็กระทนสิ่งนี้ทุกข์ให้เพราะเชื่อถืออย่างนี้จึงได้มีการเดนบานหรือบวงสวงเทวดาเกิดขึ้นอันนี้แหละเพราะความเชื่ออย่างนี้จึงได้มีการบวงสวงเทวดาขึ้นเช่นการบวงสวงตั้งสารเพียงตาบางมีเครื่องเส้น มีหัวหมูใบสีเหล่านี้เป็นต้นบวงสรวงเพื่อให้เทพเจ้านั้นเกิดความพอใจในตัวเองจะได้ประทานสิ่งที่เป็นความสุขให้นี่อันนี้แหละเป็นละทิแห่งการบูชาบวงสวงขึ้น <c oughs> ประเภทที่สองมีความพิเห็นว่าคนเราจะได้รับความสุขความทุกข์นั้นเป็นเพราะเหตุภายในคือกรรม อ่าอันนี้รู้สึกว่าจะเข้าหลักคือถือว่าคนเหล่านี้ที่ได้รับความสุขหรือความทุกข์ในชาตินี้ตก็เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนเองกระทําตามอันนี้อาจจะทํามาในชาติปัจจุบันก็ได้หรือวในอดีตชาติก็ได้กรรมก็จึงให้ผลคําว่ากรรมในที่นี้นั้นคําว่ากรรมเป็นคำํำกลางคือหมายถึงกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นผู้เหตุภายในคือกรรมนี้คนเราจะได้รับความสุขก็เพราะกรรม คือกรรมความดีที่เราได้กระทำไว้ในอนดีตชาติหรือปัจจุบันคนเราจะได้รับความทุกข์ก็เพราะเหตุแห่งกรรมคือกรรมชั่ว <c oughs> ที่เราได้ประกอบกระทาไว้ทั้งในชาตินี้และอดีตชาตมิมีความเห็นคิดไปอย่างนี้แต่ว่าคนประเภทนี้ที่ว่าพอจะเข้าหลักนั้นคือเชื่อว่าคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์นี้ก็เพราะอานาจกรรมนั้น ก็ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เขาคิดนั่นน่ะถูกต้องหรือไม่คือบางศาสนานเนี่ยถือว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยเป็นบุญนี่ถืออย่างนั้นก็นับว่าคนประเภทนี้ก็เป็นประเภทที่น่ากลัวอย่างคือมีความเข้าใจในทางที่ผิดะเมื่อตัวเห็นว่าเท่ากรรมดีเป็นให้ความสุขก็พยายามทํากรรมดี แต่กรรมดีที่ตนทํานั้นบางครั้งตัวเองรู้ไม่ถึงเช่นการฆ่าสัตว์บูชายันถือว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยเป็นการบูชาเทพเจ้าเป็นคว็นดุลหรือว่าเป็นความดีของตัวเองเทพเจ้าจะได้ชอบใจที่ได้ประทานความสุขมาให้บางหรือว่าเป็นเพราะที่ตนเองทําความดีต่อเทพเจ้านั้นความสุขก็เกิดบงังอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะการที่เราฆ่าสัตว์นั้นไม่ใช่ไหว้สัตว์นั้นจะเป็นประเภทใดก็ตามแม้แต่ว่าสัตว์นั้น บางคนอาจจะเห็นว่าสัตว์นี้ทรมานมากนะักถ้าเกิดให้มีชีวิตไว้ก็จะทรมานมากก็เลยช่วยฆ่าเสียเพื่อให้เขาพ้นทุกข์อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นอีกอย่างหนึง่งเหมือนกันซึ่งความจริงตามหลักพุทธศาสนาแล้วถือว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาป ท, ทั้งนั้นเป็นกรรมชั่วทั้งนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นคนที่ประเภทที่ว่ายังหน้าหนักใจอยู่บ้างเหมือนกันคนชมพูทวีปนั้นโดยทั่วๆไปแล้ว นับถืศาสนาพราหมณ์นับถืศาสนาพราหมณ์ ถ, ถือว่าโลกธาตุเนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่ในโลกเราเนี่ยมีเทวดาสร้างขึ้นมาแล้วก็มีเทวดาประจําทั้งนั้นมีเทวดาสร้างขึ้นมาแล้วมีเทวดาประจำทั้งนั้นเช่นภูเขานี่ก็มีเทวดาประจําอยู่ที่เราเรียกว่าปัพตะเทวดาต้นไม้ก็มีเทวดาประจําอยู่ที่เราเรียกกันว่าลูกเทวดา นะฮะแม้แต่ว่าไฟก็มีเทวดาประจําอยู่ที่เราเรียกว่าพระอคัคคีหรือว่าแม่น้ําก็มีเทวดาประจําอยู่ที่เราเรียกว่าพระแม่คงคาเนี่ยเพราะเหตุที่ว่าชาชมพูทวีปนั้นถือว่าโลกธาตุมีเทวดาสิงสถิตยอยู่เนี่ยจึงไม่มีการไปไหว้ต้นไม้ลำธารหรือว่าภูเขาขึ้นเราจะได้เห็นได้ว่าตามต้นไม้ต่างเนี่ยเป็นสถานที่สัิ์สิ เป็นที่อยู่ของเทพพญดาเขาก็ไปไหว้นับถือกันเนี่ยจึงได้มีการเส้นไหว้าตามต้นไม้ต่างๆนาน า, น า, นาหรือว่าสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเป็นที่สิงส ถ, ถิตของเทวดาเพราะฉะนั้นโค้เทวดาเนี่ยก็จึงได้มีสองอที่ว่าไปอยู่ประจําตามโลกธาต่าง ๆ, ๆก็มีอยู่แล้วก็เทวดาที่อยู่บนสูงสวรรค์ก็มีอยู่ก็จึงได้มีการเส้นไหว้ การเส้นไหวของเทวดาผู้ยินด่อยู่ในบน ส, สวรรค์นี่บางครั้งก็มีการที่เรียกว่าเผาเครื่องเส้นนะเผาเครื่องเส้นคือเขามีความคิดเห็นว่าธรรมดาควันไฟเนี่ยจะลอยสู่เบื้องบนเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่จะเส้นเทวดาเบื้องบนนั้นบางครั้งท่านอาจจะไม่สามารถที่จะลงมาได้ก็เลยเผาเครื่องเส้นนั้นเพื่อจะให้ ไฟเนี่ยนำเอาควันขึ้นไปคือนํากำควันนั้นนําเครื่องเส้นขึ้นไปบูชาเทพเจ้าผู้อยู่ใน ส, สวรรค์เหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นความเชื่อถือของอชาวอินเดียเขาและนอกจากนั้นแล้วชาวอินเดียเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเจ้าลทัทธิต่างๆนาน า, นาเขามีความเห็นว่า ถ้าบุคคลใดนั้นน่ะเป็นคนที่สั่งสอนธรรมะแกประชาชนได้นั้นน่ะนับว่าเป็นคนที่เรียกว่าได้รับการยกย่องนับถืออย่างประเสริฐและก็ทำกิดธุระอันอย่างประเสริฐมากเป็นคนที่มีกุูนาแล้วอ่กุณาเป็นวิหารธรรมเพราะฉะนั้นชาวชมพูทวีป บ, บางพวกเนี่ยถึงกับยอมสะละคารวาวิสัยคือละทิ้งสมบัติแล้วก็พัญญาบุคคลตัวเองนั้น ออกเป็นเป็นนักบวชประพฤติพจเป็นบรรพชีเพื่อที่จะแสวงหาโมกะธรรมหรือลทัทธิต่างๆแล้วก็นํามาสั่งสอนอที่ได้อแล้วก็แด่มานํามาสั่งสอนประชาชนจนบางครั้งมีผู้นับถือล้นสายมากยกย่องเป็นศาสดาเป็นเจ้าลทัทธิจึงมีชื่อเสียงได้โด่งดังมากการยกย่องหรือว่าเกียรติยศในการที่ยกย่องเป็นศาสดา ในการสอนทธิต่างๆนี้ยกย่องเสมอเกติยศของพระจเจ้าแผ่นดินหรือบางครั้งอาจจะยิ่งกว่าซะอีกเพราะฉะนั้นจึงได้มีชาวชมพูทวีปเนี่ยละทิ้งคลาวาดเดือดเป็นนักพจน์มากต่อมากเพราะเหตุต้องการที่จะได้รับการยกย่องชนิดนีอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนในปฏิเฉตที่หนึ่ง นะบทเรียนในบริเฉตที่หนึ่งจบเพียงแค่นี้สำหรับในบริเฉตที่สอง <c oughs> ในบริเฉตที่สองนี้ <c oughs> ว่าด้วยเรื่องสกกะชนนบทและศักกยวงศ์ฮะสกกะชนบทและศักยวงศ์ที่ได้เริ่มเรื่องของสกกะชนนบทและศักกยวงศ์นี้ท่านได้กล่าวเฉพาะ ในวงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือสักกชนบทหรือสักยวงน์นี้เป็นแว่นแคว้นอันเป็นแดงกําเนิดแห่งพระพุทธองค์ก็คือองค์สุเดิจพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในแว่นแคว้นแห่งสักกชนบทและในสักยวงส์สกาชนบทนั้นน่ะ ตามตำนานท่นกล่าวว่าตั้งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือ<ม>จังหวัดประเทศถิมะพรานตั้งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือคือแถบภูเขาอีอาแถบเขาอีอาแถบประเทศถิมะพรานนั้นที่ได้ชื่อตามภูประเทศนี้ก็เพราะตั้งอยู่ในดงไม้สกะมาแต่เดิมเคํานะว่าจังหวัดถิมะพานเนี่ย เราควรจะรู้จักคําว่าหิมะพันกันซะหน่อยคําว่าหิมพันนี้บางท่านไปเข้าใจว่าอยู่นอกฟ้าที่เราเรียกกันว่านอกฟ้าป่าหิมะพนันแต่ความจริงแล้วเขตแดนหรือว่าหรือว่าดินแดนแห่งหิมพันนี้ไม่ใช่อยู่นอกฟ้าหรอกมันก็อยู่ในร่วมในแท่งฟ้านี่เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลไปหน่อยซึ่งใครๆก็ ที่จะไปถึงยากคําว่าหิมะพานหิมพานนี่ก็มาจากคําภาษาบาลีว่าหิมวันตะนะหิมะวันตะหนะิมะวานนี่แปลว่าภูเขานะอันตะก็แปลว่าเขตแดนนะอันตะนี่แปลว่าเขตแดนหรือว่าแปลว่าส่วนนะส่ว น, นะวนเพราะฉะนั้นหิมพานนี่หรือในหนึ่งเราจะแปลว่าหิมะกับอันตะ หิมวันตะก็แปลสถานที่มีหิมะก็พอได้ก็คือว่าสถานที่มันสูงๆที่ป่าทึบนะจนมีหิมะไหลอจนมีหิมะเกาะตามภูเขาต่างๆนานานเองเพราะฉะนั้นคําว่าภูเขาหิมะผ่านหรือว่าป่าหิมะผานนี้ถ้าจะว่ากันโดยจริงแล้วก็คือภูเขาหิมะไหลเทือกเขาภูเขาหิมะไหลนี้เองนะแต่ว่าคนสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าหิมะพ่านเพราะฉะนั้นก็ อยู่ในเขตแดนของอินเดียนั่นเองไม่ใช่อยู่นอกฟ้าอะไรไป <c oughs> ประวัติของศัตรูชนบทนี้มีตำนานเล่ามาว่าพระเจ้าโอกาการาชนำลงราชสมบัติในพระนครตำบลหนึ่งมีพระราชบุตรได้กันสี่พระองค์และพระราชบุตรีห้าพระองค์ ซึ่งประสูตจากพระคันของพระมเหสีซึ่งเป็นพระราชภคินีของพระองค์ก็คือเป็นน้องสาวของพระองค์เมื่อพระมเหสีที่วงคดแล้วพระเจ้าโอกราชนี้ก็ได้พระมเหสีอื่นพระมเหสีใหม่พระมเหสีใหม่องค์นี้ก็ประสูติพระราชบุตรพระองค์หนึ่งซึ่งทําให้พระเจ้าโอกราลนี้ทรงปราโมทยินดีอย่างมากจนกระทั่งพลังพระโอษฐ ให้พระราชทานพรให้แกธระมเหสีใหม่เนี่วะต้องการจะได้อะไรก็ให้ขอมาตามประสงค์ท่า น, นางเจ้านี้ธระมเหสีองค์ใหม่นี้นก็คิดดูแลว้วว่าถ้าหากว่าปล่อยไปตามราชประเพณีแล้วลูกชายของตัวเองนี่ไม่มีทางที่จะได้เป็นกษัตริย์เพราะจะต้องผ่านพระราชบุตรทั้งสี่พระองค์มาเสียก่อน และถึงจะมาตกเป็นภาอาวาระของของราชบุตรของตัวเองเพราะนั้นเลยก็เมื่อพระเจ้าโอกากราดพระราชทานพร อ, อย่างนี้ก็จึงได้ทูลขอพระราชสมบัติให้พระราชบุตรของพระองค์อ่สำหรับคราวนี้ก็ขอยุติไปเพียงแค่นี้ก่อน